Thank you. พาสิทบที่หนึ่งที่เคยผ่านตาพวกเราเพราะว่าเคยสวดหรือสาธยายมาสองสาครั้งแล้วนะในพันศานี้ก็คือพาสิทธิ์ที่ว่ายาคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือชั้นใดความเป็นสมัมณนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็ฉุดลงไปนรกชั้นนั้น พุทธภาษีสันส้นๆนี้น่าพิจารณานะของที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอย่างเช่นยาคาเนี่ยถ้าจับไม่ถูกนะจับไม่ดีมันก็บาดมือเราได้แม้แต่ของที่ดีๆเน่ยเช่นความเป็นพระความเป็นสัมมณถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็เกิดผลเสียยาคาจับไม่ดีบาดมือเนี่ยอันนี้หลายคนคงมีประสบการณ์แล้วนะ ก็ไม่มต้องอธิบายแต่ว่าความเป็นสมณะเนี่ยน ะ, ะถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยชดลงไปนรกมันหมายความว่ายังไงนะก็เช่นว่าอพอมาบวชเป็นพระแล้วนะมีผ้าเหลืองห่มคลุมร่างกายคนก็กราบไหว้แล้วถ้า บ, บวชไป น, น, นานๆมีลาบสักการะตามมาเพราะคนศรัทธา น, นี่ถ้าเกิดว่าไปหลงติดในราบสการะนะก็อจะทำให้ประมาท อ, อย่างน้อยๆคือว่าไม่ใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติก็ทำให้เนินช้านะต่อการพ้นทุกข์แต่ถ้ามันเสียหายยิ่งกว่านั้นคือไปยึดติดนะไปลหลงไหลในราบสการะก็กลายเป็นว่าอาจจะใช้ความเป็นพระนั้นเนี่ยเพื่อ แสงหาลาบสักการะมากขึ้นก็ทําให้จิตใจก็ตกต่ํายับแย่นะเพราะว่าความโลภก็เพิ่มพูนมากขึ้นหรือว่าพอมีลาบสักการะแล้วก็อยู่สบายนะไม่สนใจฝึก ฝ, กฝกพนพัฒนาตนนะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความประมาทหรือว่าพอมีคนกราบไหว้แล้วก็เกิดความหลงตัวลืมตน เกิดทิฏฐิมานะมากขึ้นบางทีก็อาจจะถึงขั้นว่าทะเลาะบอกแวงกันเพราะทิฏฐิความเห็นอย่างพระสงฆ์ในกุงโกสัมพีเนี่ยสายพุทธการเนี่ยพระสงฆ์ฝ่ายธรรมกะถึกนะคือฝ่ายที่มีความรู้ด้านปริยัติแล้วก็เก่งในการแสดงธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวินัยทร คือที่พระที่เคร่งวินัยก็ทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันพอต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตัวถูกนะขัดแย้งกันขนาดว่าพระ เ, เจ้ามาห้ามก็ไม่ฟังนะจนญาติโยมเขาสายสายหน้าสายหัวว่าพอเป็นพระแล้วประกาศนับถือพระเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แต่ว่าพระองค์มามาห้ามมาตักเตือนให้ปณิปนอมให้เลิกถือทิฏฐิมานะก็ไม่ยอม ถนกทงพระองค์ก็ต้องเสด็จนะปีกลีกเล่นไปป่าเลไลอันนี้ก็ไม่ใช่พระเหล่านี้ไม่ดีนะก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าความยึดติดนะในทิฏฐิจนเกิดมานะก็ทำให้เกิดเรียกว่าลอ ย, ลอยด่างนะในวงการสงฆ์สมัยพุทธกาลอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไอความเป็นพระเนี่ยนะถ้าแม้มันจะดี แต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ทำให้เกิดผลเสียนะแต่ผลเสียนี้อาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ลงนรกนะแต่ถ้าเกิดว่าไปไปติดในลาบสักการะแล้วก็พยายามาหาทางาใช้วิธีคดโกงหลอกลวงเพื่อให้มีลาบสักการะมากขึ้นเพื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นที่นับหน้าถือตาถ้ามีสมณะศักดิ์สูงเนี่ยก็ ทำให้เกิดปัญหาได้หรือว่าเกิดพราท่าเสียทีนะไปทำชั่วผิดศีลเนี่ยก็ก็มีนะพระที่มาปฏิบัติเพราะมีศรัทธาในพระศาสนาแต่ว่าสุดท้ายหลงเอ่ยด้วยการผิดศีลนะบางทีไปไปลักขโมยนะคดโกงหรือแม้แต่ไปฆ่าคนนะอันนี้ก็มันก็เคยมี เรื่องราวมาเยอะแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าความเป็นพระธาปฏิบัติไม่ดีเนี่ยก็จุดลงไปนรกนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะมันมีไอสิ่งดีๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดผลเสียได้ทั้งนั้นแหละอาหารเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ถ้าเรากินไม่รู้จักพอนะมัน ก, ท ก, ก็ทำให้เกิดโรคเกิดภัยทำให้เกิดโรคอ้วน นะหรือว่าอาจทําให้ติดคอถึงกับตายได้นะของดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะเกี่ยวข้องยังไงกับมันก็ได้นะมันต้องรู้เราต้องรู้จักเกี่ยวข้องให้ถูกนะไม่แต่ธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยการศึกษาธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีนะธรรมะเป็นสิ่งต้องศึกษาแต่ถ้าศึกษาไม่ถูกนะมันเกิดผลเสียนะ ผู้เจ้าเคยตรัสว่าธรรมะเนี่ยเปลี่ยนเป็นงูนะเราเคยแต่ได้ยินคําว่าคําพูดว่าเงินเนี่ยเปลี่ยนเป็นอักษรพิษนะแต่ว่าในบางที่พระผู้เจ้าก็ตรัสว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยก็เหมือนการจับงูนะถ้าจับงูถ้าจับงูไม่เป็นไปจับงูที่ขนดหางมันไปจับงูที่หางมันมันก็แหวงกัดจะจับงูก็ต้องจับให้เป็นคือจับที่คอมันนะที่หัวมันเป็นต้นนะ อันนี้พระเจ้าเปลี่ยนว่าการศึกษาธรรมเนี่ยนะถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาไม่ถูกเช่นศึกษาธรรมะเพื่อจะได้ไปยกตนขมท่านเพื่อจะได้ให้คนยกย่องสรรเสริญหรือว่าเพื่อคนจะได้ไม่ว่ากล่าวนะหรือมาม า, มาดูถูกเหยียดยามเราอย่างเงี้ยอันนี้พระเจ้าถือเป็นการศึกษาธรรมที่เปลี่ยบเหมือนกับจับงูที่หางนะก็โดนมันอ่าแหวงกัดได้ นะขนาดธรรมะนะก็ต้องศึกษาให้เป็นนะศึกษาไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําให้อ่าเกิดกิเลสตัณหาเกิดทิฏฐิมานะก็มีเยอะนะอันนี้ก็มันมันก็เป็นกับคนที่เรียนความรู้ทางโลกมานะคนที่เรียนความรู้ทางโลกมาเนี่ยความรู้มันดีนะความรู้มันทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เรามันน่าจะทําให้เราเนะี่ยมีหูตากว้างไกล แต่บ่อยครั้งเนี่ยคนที่เรียนมากๆกเนี่ยก็เกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคู่เป็นคนมีการศึกษาสูงนะก็เลยดูถูกคนที่เรียนมาน้อยนะถ้าไม่จบปริญญาตรีหรือว่าคนที่จบปริญญาเอกนะเจอคนที่จบปริญญาตรีก็ดูถูกเขาคนที่จบปริญญาเอกนะเจอคนที่ไม่จบปริญญาเลยก็ ไปดูถูกเขาเขาพูดอะไรไปก็ไม่ฟังอันนี้ก็ทําให้จิตใจคับแคบนะการศึกษาเนี่ยแทนที่จะทําให้เกิดความรู้หูตากว้างกายก็กลายเป็นทําให้จิตใจขับแคบนะอันนี้ก็เกิดขึ้นนะกับคนจํำนวนมากการศึกษาทางธรรมก็เหมือนกันนะหรือว่าธรรมะเนี่ยนะต้องศึกษาให้เป็นเกี่ยวข้องให้ถูกนะความดีก็เหมือนกันนะความดีเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามันดีในตัวมันเองนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับความดีอย่างไรเช่นถ้าเรายึดติดในความดีเนี่ยนะยึดติดถือมั่นในความดีก็อาจจะทำให้เกิดความหลงตัวลืมตนได้หรือทำให้จิตใจคับแคบนะทุกคนอื่นจะต้องดีเหมือนเราหรือว่าดีอย่างที่เราคิดพอเขาไม่ดีอย่างที่เราคิดนะหรื อ, อไม่ดีตามที่เราเข้าใจเนี่ย เราก็ไม่ชอบเขานะความขัดแย้งบ่อยครั้งเกิดขึ้นก็เพราะว่าความติดดีนี่แหละนะพ่อแม่ก็อาจจะทะเลาะ ก, กับหรือไม่พอใจลูกเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ดีอย่างที่พ่อแม่เป็นหรืออย่างที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่เป็นคนธรรมะธรมโมนะแต่ลูกนี่ไม่สนใจวัดวาอารามนะบางทีลูกอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งเมลอเลเกเรนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เสียใจแล้วก็รู้สึกว่า ลูกนี้ทำความอับอายนะให้กับพ่อแม่ก็มีมีคนหนึ่งนะเป็นอ่เป็นคนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเป็นเป็นโยมผู้หญิงก็เป็นที่รู้จักนะกว้างขวางในแวดวงนักปฏิบัติธรรมพ่อเธอก็ใส่ใจในการปฏิบัติเรื่องเสียงก็คลิ่งครัดวันหนึ่งทราบว่ามาพบว่าลูกสาวเนี่ย ท้องโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนะก็โกรธมากเลยนะแล้วก็รู้สึกเสียเสียหน้ามากนะถ้าเกิดใครๆรู้ว่าลูกสาวเนี่ยท้องนะโดยที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยจะทำให้แกเนี่ยนะเป็นที่เสียหน้านะในหมู่แวดวงนักปฏิบัติธรรมแกทำยังไงเนี่ยแกบังคับลูกให้ไปทำแท้ง นักปฏิบัติธรรมนะบังคับเลยทําแท้งเพราะกลัวว่าถ้าลูกคลอดมาลูกท้องแล้วคลอดมานี่จะเสียหน้าเสียชื่อเสียงแกไอความเป็นนักปฏิบัติธรรมของฉันก็จะปนปี้หมดนะมีที่ไหนนะแม่ปฏิบัติธรรมแต่ปล่อยให้ลูกนะอ่ามวดเซ็กเนี่ยนะหรือว่าปล่อยป่าละเลยจนลูกท้องนะไม่แต่งงานผิดประเพณีบังคับให้ลูกเนี่ยทําแทง้งตั้งที่ตัวเองเนี่ยยุงก็ไม่ตบนะ แต่จะให้ลูกเนี่ยทำแท้งก็คืออยากจะฆ่าล้างตัวอย่างดีถ้าแกมีสตินะแกมีสติแกก็อฉุกคิดได้ทีเอยนี่เรามดยุงเราไม่ตบนะแต่เราจะบังคับให้ฆ่าหลานในท้องเหรออดีที่ไม่ทำนะแต่ว่าความคิดแรกเนี่ยมันเกิดจากความที่ติดดีไงนะว่าลูกสาวนี่นะผิดธรรมปรพฤตผิดประเพณีนนะแล้วก็ กลัวว่าพฤติกรรมของลูกสาวจะทำให้ตัวเองเนี่ยเสียชื่อเสียงในทางรับรับปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าติดดีนะหรือว่าติดผลอย่างความดีได้เหมือนกันความติดดีบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ผู้คนทำร้ายกันนะเพราะว่าคนอื่นมันไม่ดีเหมือนเราหรือไม่ดีอย่างที่เราคิดที่เกิดสงครามก่อการร้ายกันเนี่ยนะคนที่เป็นผู้ก่อการร้ายนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เคร่งศาสนานะ เป็นเคร่งศาสนาอาจจะทำละหมาดนี่วันละห้าเวลาเคร่งครัดนะแต่ว่าทนไม่ได้ที่เห็นคนผู้คนในสังคมนะหมกบุญในการมาสุขเป็นพวกวัตถุนิยมนะอยากจะกวาดล้างคนเหล่านี้นะเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้านะต้องกาจัดต้องกวาดล้างมาให้หมดนะ อันนี้ก็นำไปสู่การก่อการร้ายการฆ่าฟันผู้คนมากในนามของพระเจ้าในนามความดีคนเรานี่บ่อยครั้งนี้ก็ทำช่วในนามความดีนะมีตัวอย่างเยอะมากอันนี้เพราะติดดีหรือว่าติดดีอย่างอ่อนคือว่าทำดีแล้วเนี่ยไม่มีคนเห็นทำดีแล้วไม่มีคนยกย่องทำดีแล้วไม่มีคนสรรเสริญ ก็เลยไม่ทำดีซะเลยนะ่เลิกเลยกลับมาทำชั่วนะเพราะว่าทาดีแล้วไม่ได้ดีไอ้แบบนี้ก็มีนะอันนี้เพราะว่าติดดีอาจารย์พท่าจะบอกว่าเนี่ยระวังนะอย่าให้ความดีมันกัดเจ้าของนะทำความดีแต่ว่าคนทำความดีนั้นกลับทุกข์หรือว่ากลับทำชั่วก็มีเยอะนะเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะความดีมันไม่ดีนะแต่เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความดีไม่ถูกคือไปยติด ถ, ถือมั่นนะ ผู้เจ้าเคยจัดนะสอนพระนันทิยะพระนันทิยะในภายหลังเป็นพระอรหันต์ผู้เจ้าสอนพระนันทิยะว่าผลแห่งความดีเนี่ยย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาแล้วหลงไหลยึดติดในสิ่งนั้นจนกระทั่งประมาทโมเมาผลแห่งความดีเช่นอะไรนะก็เช่นลาบสาการะความชื่นชมสรรเสริญคนทําทำความดีแล้วเนี่ยก็จะมีคนยกย่องนะถ้าเป็นพระก็มีคนศรัทธา นะเอาปัจจัยสีมาถวายมีลาภสักการะมากมายอันเนี้ยคนย่งความดีเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนะต้องเกี่ยวข้องกับไม่ถูกก็คือหมัน่นก็คือพิจารณาว่าไอของพวกนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันมาเพียงแค่ชั่วคราวแล้วมันก็มีโทษถ้าไปยึดติดถือมัน่นมันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับปลาเนี่ยนะที่ไปงับเหยื่อปลาเนี่ยมันเห็นเหยื่อมก็งับนะ โดยหารู้ไหมว่าในเหยื่อนะั้นมันมีเบ็ดซ่อนอยู่ลาบสักการะเนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อนะที่มันมีเบ็ดซ่อนอยู่งั้นถ้าเกิดว่าไปงับนะไปงับเหยื่อเข้าก็โดนเบ็ดทิ่มปากติดเบ็ดไปนะลาบสักการะก็มีโทษแบบนั้นเหมือนกันมันเป็นเหยื่อของมารมันมีเหยื่อของมารที่ซ่อนอยู่งั้นจึงต้องพิจารณานะ ก็คือเห็นโทษของมันด้วยไม่ไปยึดติดถือมั่นกับมัน ไ, ได้มาก็ดีแล้วนะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่พอได้มาแล้วเนี่ยแทนที่เราจะใช้มันนะมันกลับใช้เราเพราะไปะยึดติดถือมั่นนะจกนกระทั่งมันมีอำนาจเหนือเราสรุปก็คือว่าสิ่งดีๆเนี่ยนะมันเหมือนเหมือนเป็นดาบสองคมนะต้องใช้มันให้เป็นไม่ใช่ว่าพอเห็นว่ามันดีแล้วก็เลย ใช้โดยไม่พิจารณาหรือว่าเสพบริโภคโดยไม่พิจารณาก็อาจจะเป็นโทษได้นะอันนี้นะมันก็เช่นเดียวกับสิ่งที่มันเป็นโทษนะสิ่งที่ไม่ดีะนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราใช้เป็นใช้ถูกนะมันก็เป็นของดีได้นะนะคำต่อว่าด่าทอเนี่ยนะถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นนะเออมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นเครื่องฝึกใจเราให้อดทนเข้มแข็งหรือว่าเป็นเครื่องสอนใจเราให้เห็นว่า ให้รู้จักเรื่องโลกธรรมแดนะว่าคําชื่นชมกับคำสารเสริญเนี่ยมันมาพร้อมกับคําติสินนินทาต่อว่าดาทอถ้าเราไปเพลิดเพลินกับคําชื่นชมสารเสริญพอเจอคําต่อว่าดาทอก็เป็นทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักมองนะไอ้คำต่อว่าดาทอมันก็สอนทําให้กับเราหรืออย่าง น, น้อยๆก็ทําให้เราเห็นว่าเรามีข้อบกพร่องผิดพลาดยังไงบ้างที่ต้องแก้ไข นะความล้มเหลวหรืออุปสรรคเนี่ยซึ่งใครๆไม่ชอบมันก็ดีนะถ้าเรามองให้มันเป็นนะก็คือว่าหาบทเรียนจากความล้มเหลวนะเอาผิดเป็นครูนะนะอันนี้รวมถึงการการทำอะไรที่ผิดพลาดด้วยนะแทนที่เราจะเอาแต่ตี อ, อกชกหัวกุ้มหมอกุ้มใจหรือว่ากล่นดาตัวเองนะเออล้วก็มามองว่ามันสอนอะไรเรามันทาให้เราเนี่ย เห็นข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขนี่เรียกว่าเอาผิดเป็นครูผิดก็มีประโยชน์นะถ้ารู้จักเอามาเป็นครูนะความล้มเหลวหรือว่าความตกต่าย่าแย่ก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักมองอย่างเมื่อตอนนี้เนี่ยวันสองวันนี้นักกอล์ฟสาวไทยนี่ก็สร้างชื่ออีกแล้วนะโปรเมนะเอริยา เอริยานี่นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะแต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จมากนะในช่วงปีนี้ได้แชมป์มาเป็นครั้งที่ห้าแล้วในปีนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะว่าสามปีก่อนนะั่นี่เขาชีวิตเขาชีวิตการเป็นนักกีฬาเขาแย่มากนะเกือบจะได้แชมป์แล้วก็ความเป็นแชมป์ก็หลุดลอยไปสองครั้งระหว่างนั้นก็อ่าก็ การเล่นก็ตกต่ำนะเรียกว่าคะแนนนี่ดิ่งลงไปเลยแต่ว่ามันกลับเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทำให้เขารู้ว่าข้อมีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหนก็อเอามาแก้มือนะเอามาแก้ปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เขาพูดว้น่าสนใจอบอกว่าโชคดีนะที่เขาประสบความ ล้มเหลวนะในช่วงสามปีที่ผ่านมาโชคดีไงบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันต้องมีช่วงของชีวิตที่ตกต่ำนะหรือว่าประสบความล้มเหลวเรียกว่าดำดิ่งไปเลยแต่ว่าเขาโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับเขาในาที่เขาอายุยังน้อยตอใไม่ค่อยมีเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้ นี่ถ้าไม่ประสบความล้มเหลวไม่เจออุปสรรคในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็าอาจจะฝีมือก็ า, า จ, จะไม่ดีขนาดนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องของฝีมือการการเลื่อนเลือการทำใจให้มั่นคงไม่วันไหวสิ่งแย่ๆเนี่ยนะความพัดพรากสูญเสียความเจ็บป่วยซึ่งใครๆก็ไม่ชอบนะทางพระเรียกว่าเป็นเป็นอนิถารมเป็นโลกธรรมฝ่ายลบนะ ถ้าเกี่ยวข้องกับมันเป็นนะมันมีประโยชน์อะไรก็ตามจะดีหรือไม่มันอยู่ที่ใจเรานะอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรหรือใช้มันอย่างไรเคยเล่าไปแล้วนะความเครียดนะความเครียด ใ, ใครๆก็ไม่ชอบนะแต่คนที่มองความเครียดในแง่ดีนะความเครียดมีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนไม่ประโยชน์ต่อการทางานนะหรือว่าจะมีประโยชน์ต่อาการปฏิบัติธรรมด้วย ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกลบกับความเครียดนะพอเราสลบกับความเครียดเนี่ยมันก็จะไปบั่นทอนร่างกายมันก็ทําให้การเรียนการทํางานเนี่ยมีปัญหา ค, ครุขักไปหมดอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเพิ่งค้นพบนะว่าจริงๆแล้วความเครียดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่ามุมมองของเราอยู่ที่ว่าเราจะมองมันอย่างไรถ้าเรามองมันว่าดีมันก็ดีถ้าเรามองว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีนะ อันนี้มันมีผลต่อร่างกายด้วยนะคนที่มองว่าความเครียดเป็นของดีเนี่ยร่างกายมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบหนึ่งคนที่มองความเครียดไม่ดีเนี่ยร่างกายก็มีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งความเจ็บป่วยนะถ้าถ้าถ้าใช้มันไม่เป็นนะมันก็บรนทอนนะบรนทอนทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายไม่ใช่แค่ป่วยกายป่วยใจด้วยแต่ว่าถ้ารู้จักใช้มันนะมองมาให้เป็นเออมันก็สอนนะว่า เราจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไรอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเรานอนน้อยไปเรากินอาหารไม่ถูกต้องเราใช้ชีวิตไม่สมดุล น, นะมันเป็นสัญญาณเตือนนะอยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรหรือว่ามันก็สอนเราเรื่องอความไม่เที่ยงของสังขารนะอาจารย์พุทธานบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะความป่วยเนี่ยมันสามารถจะเตือนให้เราฉลาดได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะ พอป่วยแล้วก็เอาแต่กุ้มหมกกุ้มใจนะแทนที่จะใช้ความป่วยเป็นประโยชน์ก็โดนความปวดความป่วยมันเล่นงานเอางั้นถ้ามองเป็นนะเออก็จะบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งของของที่บรรแย่เนี่ยนะถ้าเราใช้มันให้เป็นมองมาให้ถูกเนี่ยมันกลับเป็นของดีนะแม้แต่เวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความเครียดเกิดขึ้น ถ้ามันมันความโกรธนี่ดีนะถ้าเราถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันนะเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเออนะสติเราก็จะเจริญงอกงามมากขึ้นนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอ่ถ้ามันมันดีนะถ้ามันเกิดแล้วเราเห็นมันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่เห็นมันนะเราก็เปเป็นมันแย่และไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะความโกรธนะแม้ก็ะทั่งความสงบ หรือว่าความยินดีเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นมันนะหลงเข้าไปในความสงบหลงเข้าไปในความยินดีอย่างนี้ก็ไม่ดีนะสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าเกิดขึ้นนอกตัวเราเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นในใจเรานีมันจะดีหรือไม่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรสิ่งแย่ๆที่ใครไม่ชอบที่ก็าเรียเป็นอกุศลถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกเป็นของดีมีคนนึ่งก็พูดไว้น่าสนใจว่าเนี่ย อารมณ์เนี่ยมันไม่มีคําว่าอากุศลหรือกุศลนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นมันก็เป็นกุศลนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นมันก็เป็นอกุศลนะอย่างเช่นความสงบถ้าเราเกี่ยวข้องไม่เป็นเนี่ยมันกลายเป็นโทษทําให้เราหลงในติดสงบมากขึ้นติดสงบนี่ไม่ดีนะสําหรับการปฏิบัตธิธรรมแต่มีความโกรธมีความหงุดหงิดแล้วเออเห็นมันมีความเครียด เห็นมันอะอย่างนี้ดีความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเออเห็นมันไอ้ที่มันเป็นปัญหาเพราะเข้าไปเป็นนะครูบาอาจารย์บอกว่าทุกข์เนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เข้าไปเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกนะก็เลยโดนความทุกข์เล่นงานแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกนะความทุกข์ก็เป็นครูความทุกข์ก็เป็นอาจารย์ความทุกข์ก็สอนเราให้ให้ ฝึกเราให้เข้มแข็งสอนให้เราสอนเราให้มีปัญญานะเข้าใจธรรมะมากขึ้นสรุปก็คือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะดีหรือชั่วเนี่ยนะหรือจะดีหรือล้ายเนี่ยมันอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราว่าเราจะมองมันยังไงหรือใช้มันอย่างไรนะถ้าเรามองไม่เป็นใช้ไม่ถูกนะปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เกิดผลเสียอย่างความเป็นสมณนะหรือว่าความดีนะ แต่ถ้าหาว่าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นใช้มันถูกแม้กระทั่งความทุกข์ความโกรธความเจ็บป่วยความพัดภาคสูญเสียเ ป, เป็นประโยชน์มันก็เหมือนกับขี้นะขี้หรือขยะเนี่ยนะถ้ามากองไว้หน้าบ้านเนี่ยมันแย่แต่ถ้าเอาไปไว้ในสวนนะมันกลายเป็นดีไปทุกอย่างเนี่ยนะมันรู้แล้วแต่มีทั้งดีและเสียอยู่ที่ว่าเราจะมองหรือใช้มันอย่างไร อันนี้เราพูดถึงเฉพาะสิ่งต่างๆนะซึ่งจะเป็นบวกหรือลบ ก, ก็ตามเราไม่พูดเรื่องการทำชั่วนะเดี๋ยวบางคนเขาจะเอ้ยงั้นะต้องทำชั่วดีกว่าทาชั่วแล้ววางใจถูกต้องมันกลายเป็นดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะเรื่องการทำชั่วทำยังไงก็เกิดโทษทั้งนั้นแหละนะกรรมชั่วนะย่อมส่งผลนะหรือวิบากเนี่ยเป็นชั่วอยู่เสมอแต่ทำไปแล้วเนี่ยนะเอามาเตือนใจ อันนี้เป็นของดีพระเจ้าโศนี่ที่หันมาสมาทานพุทธศาสนาเพราะเคยทำชั่วมานะทำชั่วคือทำสงครามนะทำสงครามเพื่อที่จะขยายอาณาจักรก่อนที่จะขยายอาณาจักรก็ไปไปยึดอำนาจนะข่าพี่น้องนะตามตำนานว่าข่าน้องข่าพี่ที่ที่จะมาแย่งชิงบัลลังก์หรือว่าอยู่ในข่ายที่จะได้เป็นกษัตริย์เนี่ยฆ่าหมดเลย พอได้เป็น ก, กษัตริย์ก็ก่อสงครามมากมายฆ่าผู้คนจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเกิดความสลดสังเวชดูความสลดสังเวชก็ทำให้หันมาเข้าหาพุทธศาสนานะอันนี้ก็เรียกว่าเอาผิดใช้เอาผิดเป็นครูนะใช้ความผิดพลาดเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะความผิดพลาดเนี่ยมันสามารถจะทาใหนะ้เข้าหาธรรมะได้หรือความชั่วเนี่ยมันสามารถจะส่งผลให หันมาเข้าหาธรรมะได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาทําชั่วแล้วเนี่ยทำชั่วแล้วเนี่ยถึงค่อยมาค่อยมาทําความดีอันนี้มันคนละเรื่องกันเพราะฉะ น, นั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปแม้มันจะไม่ดีนะก็อย่าเพิ่งไปตี อ, อกชคกข้ออย่าไปคิดว่าอ่าซวยหรือมีเคราะห์นะตั้งสติให้ดีแล้วก็รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์มันก็สามารถจะเป็นคนกับเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คำเดียวกับกท่านี้นะกราบาพระ